การปฏิบัตินะพวกเราเรียนหลักไป ม, มากแล้วนะสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะอันแรกเลยเรื่องถือศีลต้องมีศีลห้านะส่วนงานฝึกจิตฝึกใจเราเนี่มมีสองงานงานทาสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเดินปัญญาการทำมีประ ส, สนานการเตรียมจิตให้พร้อมนี่มีสองอันหนึ่งทำจิตให้มีกำลังวิธีทำจิตให้มีกำลังก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่อง ถนัดพุดโทโธเราก็อยู่กับพุโทโธถนัดหายใจเราก็อยู่กับลมหายใจปกติจิตเนะีมันจะร่อนเร่วิ่งออกรับอารมณ์ทางตางหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาการที่จิตวิ่งไปวิ่งมานะทําให้จิตเหน็ดเหนื่อยยันต้องมารู้จักวิธีทําให้จิตหยุดวิ่ง วิธีหยุดวิ่งก็คือแทนที่จะปล่อยให้จับอารมณ์นั้นทีหนึ่งอารมณ์นี้ทีหนึ่งก็มาพามันอยู่ในอารมณ์มันเดียวแลอารมณ์ที่จะดึงดูดจิตใจให้อยู่ด้วยได้ต้องเป็นอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความสุขเราไปดูตัวของเราเองแต่ละคนหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วแต่ละคนก็มีหน้าที่ไปสำรวจตัวเอง ว่าเราอยู่กับกรรมฐานอันไหนแล้วจิตใจเราสงบสุขสิตใจกับร่างกายมันตรงข้ามกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวสหิ่งจะแข็งแรงจิตใจต้องหยุดสิ่งจะแข็งแรงไม่มีกําลังการต้องรู้จักหาที่พักให้จิตจิตจะได้มีแรง สมถกรรมฐานอีกอันหนึ่งก็คือการเตรียมจิตนะให้เหมาะให้พร้อมที่จะเดินปัญญาได้จิตที่จะเจริญปัญญาได้นะเป็นจิตที่ตั้งมั่นถอนตัวนะมันถอนตัวออกจากปรากฏการทั้งหลายมอเป็นแค่คนรู้คนดูแนละ้วมันถึงจะเห็นปรากฏการทั้งหลายชัดเจน มันคล้ายกัเราบ้านเราอยู่ริมถนนเงี้ยถ้าเราอยากดูภาพในถนนให้ชัดเจนเนี่ยเราจะเดินลงไปยืนอยู่กลางถนนเพราะงั้นรถวิ่งข้างหน้าวิ่งข้างหลังนะเฉียดข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยดูไม่รู้เรื่องหรอกเราก็ไปอยู่อย่างถ้าบ้านเป็นตึกแถวนะก็ยืนอยู่บนชั้นสองชั้นสามอะไรเงี้ย หรือเราอยู่ตึกสูงๆเดี๋ยนี้อยู่ตึกสูงกันเนยอะมองลงมาที่ถน น, นยิ่งเราอยู่สู ง, สงๆเรายิ่งเห็นภาพภาพเนภาพรวมอะได้ชัดเจนไม่ตลุมบอนลงไปไปอยู่กลางถนนเนี่ยดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกแค่จะเอาชีวิตรอดก็ยากแล้ว่เวลาเราทำกรรมฐา น, เ, นเราต้องมาฝึกจิตให้มันถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยกรรมฐานนักปฏิบัติอะไรเงี้ยมีมาตลอดในเมืองไทยเนี่ยมีกรรมฐานมาตลอดสายไม่เคยหยุดหรอกแต่ว่าการปฏิบัตินะ้นมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไรมีผลเหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากส่วนหลวงปู่ ม, มั่นเนี่ยท่านมาค้นพบตัวพุทธโธ พุโทโธคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านก็มาฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาท่านใช้พุโทโธพุธโทโธท่องไว้ในใจพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยแล้วพอใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นท่านมีสติรู้ทันเห็นพอท่านรู้ทันจิตที่หนีไปจากพุโทโธไปคิดเรื่องอื่นตัวเนี้ยขาดสติพอรู้ได้บ่อยๆ พอจิตไหลไปปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติเพราะสตินี่เราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองอยางที่ท่านมาพุดโธเนี่ยไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งนะถ้าพูดโทแล้วจิตนิ่งก็จะเป็นสมาธิชนิดแรกเอาไว้พักผรแต่ท่านไม่ได้อยู่อยู่แค่นั้นท่านพุดโธแล้วท่านรู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ ตรงนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านจะเรียนมาท่านจะเข้าใจหลังๆนี่เขาจะสอนแต่พุโทโธพุโทโธให้จิตสงบไปเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกพอออกจากความสงบมันก็จะฟุ้งซ่านนี่ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะท่านจะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตเอาอย่างครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคืออาจารย์บุญจันทร์ เจนมุญเจนหรือท่าพผาพึ่งองค์นี้มีอภิญญามีฤทธิ์มากนะรู้อนาคตรู้ว่าถ้าจิตรู้อะไรสารพัดเลยเป็นองค์หนึ่งนะที่หลวงพ่อเจอแล้วทึ่งท่านมากนะมีฤทธิ์มากแล้วก็แตกฉันในการภาวนาคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะท่านเป็นรุ่นเล็กเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แวนอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้เรียนจากหลวงปู่มั่น แต่ครูบาอาจารย์ในสายวัดป่านะก็ถือว่าท่านเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ภาวนานได้สุดยอดอาจารย์บุญจันทร์ท่านจะสอนพุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจพุทโธใจรู้แล้วพุทโธ ร, รู้ใจเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์จริงๆก็คือรู้ใจตัวเองใจนั้นมันเป็นผู้รู้นะ แต่เราไม่ใช่พามันไปรู้ที่อื่นเราจะพามันมารู้ตัวเองพุโทโธใจรู้แล้วก็พุโทโธรู้ใจคุณแม่จันดีอนะงนี้ท่านก็สุดยอดเหมือนกันถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านจะเป็นอาจารย์ใหญ่อุลงหนึ่งนะท่านพนทุกนะท่านภาวนาได้ดีตั้งแต่สิงหาคมปีสามเคยสนทนาธรรมกันกับนหะลวงพ่อ ท่านก็เลา่าว่าท่านใช้พุดโต ท, ท่านกําหนดพุดโตอยู่ตรงที่ปลายจมูกเนี่ยพุดโธพุดโทพุโทโตไปนะพอจิตเคลื่อนไปที่อื่นท่านรู้ทันนะงั้นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เนี่ยที่ท่านภาวนาดนะีเป็นที่รับรองนะตายไปเป็นพระธาตทุกองคนะ์แต่เรางไม่ทันตายเ้าเป็นละ แต่พระธาตุเอ า, าวัดอะไรไม่ได้ลักมากนะพวกได้ธรรมะขั้นตน้นก็มีเริ่มเป็นพระธาตุแล้วเันวัดวัดอะไรไม่ได้ร้อยเปอรเซ็แล้ววัดได้นิดหน่อยแต่ท่านเหล่าเนี้ยท่านสว่างท่านผ่องใสท่านสะอาดถ้าเรามีหูมีตาเราเข้าไปใกล้เราจะรู้สึกไม่เหมือนคนธรรมดาดูสะอาดหมดจดเนี่ยท่านเหล่าเนี้ย ล้วนแต่สอนให้เราเข้ามาที่จิตตนเองทั้งนั้นเลยหลวงปู่ ม, มั่นท่านก็สอนให้เข้ามาดูจิตดูใจตนเองครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ก็จะสอนเองไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งแต่ว่าจะรู้ทันพฤติกรรมของจิตตัวเองพระพุทธเจ้าก็สอนบอกผู้ใดตามรักษาจิตของตนกนะ็จะผล วงแห่งมานจะพ้นม่านได้คือพ้นกิเลสได้นั่นแหละงั้นเราจะตามรักษาจิตได้นะจิตใจต้องตั้งมั่นอยู่กันเน้อกับตัวงั้นจิตมันร้อนเร่ไปไม่ได้รักษาจิตต้องจิตมันหลงตลอดเมื่อนตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากนะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่กันเน้อกับตัวถ้าจิตมันหนีไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะ ก็ท่านคิดเรื่องธรรมะมันก็ไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงยิ่งหลงไปบริกรรมนะพองน้อยุบน้อพองน้อยุบน้อสมถะชนิดที่หนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตนิ่งสมถะชนิดที่หนึ่งรู้ลมหายใจจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่สมถะชนิดที่หนึ่งสมาธิชนิดสงบมีประโยชน์ไหมมี ทำให้มีกำลังไม่ฟุง้งซ่านแต่ต้องมาพัฒนาสมาธิชนิดที่สองนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่มีสมาธิชนิดที่หนึ่งนะพอถูรูถูกังมีสมาธิชนิดที่สองแต่ไม่มีชนิดที่หนึ่งนี่ก็พอกระเสือกกระสนไปได้เคยเห็นปลาไม่ปลามยุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนจะมีปลาหมอนะเวลาฝนตกนะ มันจะขึ้นมาบนบกนะก็ค่อยๆเสือกตัวไปเริ่มๆไปอยู่บนบกได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยพยายามไปคนที่ปฏิบัติโดยไม่มีสมาธิชนิดสงบเนี่ยคล้ายๆปลาหมอเนี่ยเริ่มๆนะหรือปลาช่อนนึ่นลำบากแต่เอาตัวรอดไหมส่วนหนึ่งก็รอดส่วนหนึ่งก็หมดเทียหมดแรงเลิกปฏิบัติตไป งันการปฏิบัติในสายนี้นะถ้าไม่มีสมาธิชนิดสงบเราจะปฏิบัติด้วยความยากลำบากบรรลุพระอราหันต์จะเป็นพระอราหันต์ชนิดสุขภาัสกกะไม่ได้ชนานาญในฌานไม่มีที่พักผ่อนแต่ไปด้วยความอดทนไปด้วยความภาคเพียรไปได้ไม่ไปได้แล้วคนส่วนใหญ่มาด้วยพิธีนณะ ไม่ได้ทรงฌานอย่ยพวกเราไม่ได้ทรงฌานยุคนี้คนที่เข้าฌานได้คลองแคลวนับตัวได้หายากจริงๆส่วนใหญ่ทำไม่ได้ฟุ้งซ่านเก่งงินถ้าไม่มีสมาธิสงบนะมีแต่สมาธิตั้งมั่นก็มรรู้มักผลได้แต่ลำบากถ้ามีสมาธิสงบ แต่ไม่มีสมาธิตั้งมั่นก็ได้แต่ฌานเฉยๆไม่ได้มากผลถ้ามีทั้งสองอย่างก็จะได้มากผลด้วยได้ความสุขในการปฏิบัติด้วยบางทีได้คงแถมบงองค์ได้วิชาสามได้อภิญญาหกได้ปฏิสัมพิธาสีได้ฌานสมบัติในพวกนี้ชำ น, นิชำนาญมีความสุขคราวหนึ่งภาษาริบุตร เข้านิโรธสมบัตินิโรธสมบัติเนี่ยเป็นสมบัติที่ดับจิตลงไปเลยไม่มีจิตไม่เหมือนพลาสมบัตินะมีจิตแต่เป็นจิตที่ลักษณะเดียวกับตอนเกิดอริยผลเรียกว่าพลาสมบัติผลสมบัติพระสารีบุตรเข้านิโรธสมบัติพัคผรอนมันมียักษ์ตัวหนึ่งมันเดินผ่านมาแล้วมันเห็น ศีรษะท่านนะกลมๆนะไม่มีผมด้วยตูปแปลกนี่น่ารักดีนะรู้สึกคึกขนองนะเมื่อเรากระบองฟาดท่านฟาดศีรษะท่านเปรี้ยงลงไปตัวท่านเนี่ยจมลงไปในแผ่นดินนะแต่อาศัยกําลังของสมาบัติเนะี่ยท่านไม่เป็นอันตรายแนละร่างกายก็ดีดกลับคือมานั่งที่เดิมนะพ่อบกยกสมาบัติแนละ้วเนี่ยไอ้ยักษ์ตัวนั้นพอมันเดินคล้อยหลังไปมันก็ถูกธรณีสูขลงไปนะ ตกนรกไปพอท่านออกจากสมาบัติมาพระโมคคลลาถามว่าตอนที่นั่งทำสมาธิวันนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมนะท่านบอกรู้สึกมันเกิดความรู้สึกนั้นเกิดจิตขึ้นมาแว บ, บหนึ่งพอนะถูกกระทบกระเทือนบอกว่รู้สึกคันๆที่ศีรษะนิดหนึ่งนะแล้วท่านบอกเนะี่ย พระอริยะเจ้าทั้งหลายในยุคนั้นนะเวลาท่านเข้าพระสมบัติเข้านิโรธสมบัติอนะไเนี่ยท่านท่านอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขของท่านนะเป็นที่พักพรอนยังมีความสุขถ้าพวกเราไม่ได้ฌานเราจะไม่ได้อย่างนี้นะเราก็ไม่ได้หรอกต้องออกตัวให้รอดก็พอ ก, กันระหว่างอย่างเราอยู่ในทะเลนะว่ายน้ําอยู่ ไม่มีเรือเกาะมันก็ต้องไหว้ไม่งั้นจะจมน้ำตายส่วอีกคนหนึ่งก็ตกน้ํามาพร้อมกับเราเรือแตกพร้อมกับเราเขาไปเจอเรืออีกลํานึงขึ้นเรือไปขึ้นบกสบายกว่าเราเราก็กระเสือกกระสนไปอดทนเพราะนั้นความอดทนเนี้เป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดเลยนะในยุคนี้ถ้าไม่อดทนไม่ได้กินหรอกพวกที่เรียนกรรมฐานมาบางคนเรียนมาตั้งแต่ยุคลุงพ่ออยู่ส่วนผู บางคนเรียนมาก่อนสวนโพยคนที่เรียนนานที่สุดเลยนะคือนี่เก็เป็นยายแล้นะเรียนนานเนี่ยทำไมแกยังเรียนอยู่จนป่านเนี้ยแกอดทนว่านะทนแล้วเราเรียนกรรมฐ า, านนะเก่งไม่เท่าไหร่หรอกแต่ต้องอดทนให้มากบุญบา ร, รมีของพวกเรานนี้ยมันน้อย ถ้าบารมีของพวกเราบ้างคงได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จบไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่ต้องมาเจอหลวงพ่อหรอกนะ mm hmm. ก็คงพ้นไปก่อนแต่หลวงพ่อเป็นเคสยกเว้นนะหลวงพ่อมันมีความตั้งใจที่จะมาช่วยทำงานในช่วงหนึ่งนันมันยังไม่ไม่ไปง่ายๆในพวกเราไม่ได้ชาน เราก็อาศัยความอดทนเอาเก็บเล็กเก็บน้อยเอาไม่ได้รวยอย่างคนรวยนะไม่ต้องทำอะไรมากนะลงทุนอะไรแป๊บเดียวได้เงินเยอะแยะละคนที่เขาบุญบา ร, รมีมากเขาภาวนาแป๊บๆเขาก็ได้ธรรมะแล้วนี่เราบุญน้อยบา ร, รมีน้อยค่ายๆ ค, คนจนกนะ็สะสมไปเก็บแต้มไปทำทุกวันทุกวันนะพากเพียรไปอดทนไป วิธีอดทนวิธีเก็บแต้มก็คือรู้สึกตัวไว้พอใจไหลเรารู้ใจไหลเรารูนะ้ตัวนี้สำคัญมากนะถ้าเราทำกรรมฐานอื่นไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่าจิตไหลไปคิดจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ทาได้แค่เนี้ยหลวงพ่อยืนยันเลยว่าถึงที่สุดแห่งถูกได้เพราจิตไหลไปลเรารู้ทันเนีกิเลสจะไม่ครอบงำจิต ตรที่จิตไหลเนี่ยเป็นจิตมีโมหะชนิดอุทัจจ์ความฟุ้งซ่านะโมหะเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลส ต, ตัวอื่นนะเพราะฉนั้นจิตไหลไปแล้วเราไม่รู้ทันนะมันจะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมานะเพราะฉะนั้นราคะโทสะเนี่ยเป็นลูกของโมหะอีกทีหนึ่งเพราะนั้นถ้าจิตเราไหลเรารู้ราคะโทสะก็ไม่เกิดนะแล้วตรงที่เรารู้เนี่ยโมหะก็จะดับนะเพราะโมหะ มันแพ้สติสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันว่าจิตไหลโมหะก็ดับราคะโทสะถึงมีขึ้นมาก็ดับด้วยนะถ้ารู้ได้เร็วราคะโทสะยังไม่เกิดจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปักเนี่ยยังไม่ได้ไปจับอารมณ์ได้ชัดเจนถ้าจับอารมณ์แล้วคราวนี้ราคะโทสะโมหมจะเกิดนะเกิดด้วยกันหมดเลยนะราคะก็เกิดกับโมหะโทสะก็เกิดกับโมหะ แต่ถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ต้นทางนะจิตหลงเรารู้ปั๊บเนี่ยราคาโทสะก็ไม่มีโมหะก็ดับ mm hmm. เมื่อจิตไม่มีกิเลสสีนัตโนมัสจะเกิดขึ้น mm hmm. ที่ท่านบอกว่าผู้ใดตามคุ้มครองรักษาจิตนะซึ่งรักษาได้ยากนเนี่ยจะพ้นจากบ่วงแห่งมารการคุ้มครองรักษาจิตก็คืออาศัยสติเ mm hmm. ป็นตัวรู้ทันจิตไม่มีใครสามารถควบคุมจิตได้นะ แต่สติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตงั้นในอาพิธรรมโยสอนนะสติมีลักษณะยังไงสติมีลักษณะระลึกรู้สภาวะที่กำลังปรากฏนะสติทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อารักขาทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตนะไม่ให้ตกไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะงั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ย จิตเราได้รับการคุ้มครองไม่ตกอยู่ใต้กิเลสสีนัตโนมัติจะเกิดขึ้นสีนัตโนมัติจะเกิดขึ้นเป็นอินเสียสังวรสจิตไหลไปทางตารู้สึกปั๊บเนี่ยมีอินเสียสังวรจิตไหลไปทางที่ไหนไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็ไหลไปคิดถ้าจิตไหลแล้วรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา งั้นสิชนิดอินเซียสังวรจะเกิดขึ้นนะสินไม่ได้เป็นข้อข้อนะศีนนั้นศีลเป็นข้อข้อนี่เป็นศีนเบสิคห้าข้อแปดข้อสิบข้อสองยยีข้อศีลเบสิคสินที่สูงกว่าศีลเป็นข้อข้อี่อินเซียสังวรสินคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตเคลื่อนเรารู้เท่านั้นเองอินเซียสังวรสินก็จะเกิดขึ้นเป็นสินชั้นสูงนะ สีของนัปฏิบัติสีเป็นข้อข้อนะถือลาบากเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็แบ่งแต่มีอินทรียสังวร น, นี่สีห้านี่ครบแน่นอนอัตโนมัติเลยเป็นสีนัอัตโนมัติแล้วการที่จิตเคลื่อนเราเรารู้เนี่ยจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีความฟุ้งซ่านมีนิวรนนะมีนิวรณ์มีอุทจฉาผลักดันให้เคลื่อนทันทีที่เรามีสติรู้ทัน นิวรณ์จะดับสมาธิจะเกิดพระนิวรณ์คือศัตรูของสมาธินิวรณ์ก็เป็นกิเลสระดับกลางๆไม่ใช่กิเลสหยาบๆอย่างรบกรดลงรุนแรงนิวรณ์เป็นกิเลสที่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเรามีสติอยู่นิวรณ์ครอบงําใจเราไม่ได้สมาธิอัตโนมัติจะเกิด แล้วการที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตนะจิตเคลื่อนเอารู้เคลื่อนเรารู้ต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงคนในโลกเนี้ไม่สามารถเห็นได้ว่าจิตไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะจิตมันหลงอยู่ตลอดเวลามันเคลื่อนตลอดเวลามันไม่เคยหยุดเพราะงั้นมันเคลื่อนตลอดเวลาแล้วไม่เคยหยุดเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันเคลื่อนนะมันจะไม่รู้ว่ามันเคลื่อน แต่ถ้าเราเคยฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันเคลื่อนเราจะรู้เลยมันไม่เหมือนกันจิตที่เคลื่อนเป็นแบบหนึ่งจิตที่รู้เป็นแบบหนึ่งนะงั้นต่อไปพอดูบ่อยๆนะปัญญาจะเกิดจะเห็นเลยจิตที่รู้นะก็รักษาไปไม่ได้อยู่ช่วคราวแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงรักษาไม่ได้ก็คือเป็นอนัตตาจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับตรงนี้เห็นจิตผู้รู้ เป็นอนิจจังจิตผู้รู้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับเรานะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตาจิตผู้ที่เคลื่อนไปจิตผู้หลงกนะ็เกิดเราก็ดับเพราะมันเคลื่อนไปพอเรามีสติปุ๊บมันก็ดับจากจิตผู้หลงดับมาเกิดจิตผู้รู้ขึ้นแทนนะเพราะฉะั้นจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงแล้วจิตมันจะหลงห้ามมันไม่ได้ อย่างพวกเราเนี่ยลองตั้งใจว่าจะไม่คิดสิอา้าวลองตั้งใจดูต่อไปนี้ไม่คิดห้านาทีคิดยังเห็นไหมอยากว่าได้ห้านาทีเลยหลวงพ่อหลอกห้ามีนาทียังทําไม่ได้เลยะบอกอย่าคิดนะทําไงจะไม่คิดวะ า, าพุดโธดีกว่าพุทโธพุทโธก็พุดโธก็คือความคิดนั่นแหละอยางจะมีหน้าบอกว่าไม่คิดอีกห้ามจิตไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้ ตที่ห้ามไม่ได้นั่แหละอนัตตาเพราะฉะนั้นจิตรู้ก็แสดงอนิจจังอนัตตาจิตหลงก็แสดงอนิจจังอนัตตานี่เราฟฝ้รู้ฟฝ้าดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเป็นอนัตตาเพะฉนั้นการที่เรามีสติรักษาจิตเนี่ยศีล สมาธิปัญญาจะเกิดปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ปัญญาแตกฉานในธรรมะพูดธรรมะได้ชอดชอดแต่ไม่เคยเห็นสภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่แท้จริงและไม่เคยเห็นรูปธรรมนามธรรมสแสดงไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่วิปัสนาปัญญาเป็นปัญญาธรรมดาไม่พ้นถูกหรอกวนะิปัสนาปัญญาเนี่ยต้องเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายสแสดงไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์นั่นเอง เมื่อฉะนั้นกที่เรามีสตินะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้หลวงพ่อถึงกลายืนยันว่ารู้ตรงนี้ทำที่สุดแห่งทุกได้สุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกพอตรงนี้จิตจะปล่อยวางจิตจิตรู้จิตยังแจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เกิดอาการที่จิตปล่อยวางจิต พอจิตปล่อยวางจิตจิตก็ปล่อยขันทั้งหมดปล่อยโลกทั้งหมดไม่ยึดอะไรอีกแล้วที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองอย่างที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนีเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่เห็นชัดๆนะเห็นเห็นกติกน้ําเห็นขวดน้ําไม่เห็นแจ่มแจ้งเห็นมันทุกมุมอย่างนี้ไม่ใช่คาว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นไตรลักษณ์จิตเห็นว่าจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ถ้าเห็นอย่างนี้นะได้ตั้งแต่โซดายันพระอรหันต์เลยถ้าบางท่านภาวนาด้วยการดูจิตนะตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ดูกายดูแต่จิตมาเห็นนยจิตมันเป็นไตรลักษณ์นะแล้วรู้เลยจิตไม่ใช่ตัวเราละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้คันห้าก็ไม่เป็นเราโลกนี้ก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของเราได้เป็นพระโสดาบันก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นจิตเองเนี่ย เป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบขั้นทุกข์เพราะว่าบังคับไม่ได้คือเห็นไตรลักษณ์ของจิตนั่นเองพอเห็นไตรลักษณ์ของจิตจิตก็ปล่อยวางจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธสัมผัสปานิพานธ์ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นเพรั้น การที่หลวงพ่อสอนพวกเราวนะ่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะใช่เรื่องเล็กๆเลยทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยหนะลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะท่านเคยสอนท่านบอกว่าธรรมะแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะออกมาจากจิตนนะั่นเองเพราะฉนั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนะ เราจะรู้แจ้งในธรรมะถ้าเราไม่รู้ทันจิตเราจะไม่รู้แจ้งธรรมะอย่างเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยรู้พระไตรปิฎกตั้งโต้หนึ่งนะจำธรรมะได้แต่ไม่ได้รู้แจ้งธรรมะล้างกิเลสไม่ได้ดีไม่ดีกูเก่ง้าไปอีกนะมันใช้ไม่ได้แต่ว่าดีกว่าไม่จำไม่เลยนะอย่างน้อยจำไว้อย่างหลวงพ่อยกย่องพระปริยัตนะพระปริยัตเนี่ยน่ายกย่องมากเลยท่านอุษาเรียนเอาไว้ วันหนึ่งข้างหน้าผู้ซึ่งมีบุญบารมีนะได้มาอ่านได้มาฟังธรรมะที่ท่านทรงจํากันไว้เข้าไปได้ก็พ้นทุกได้เพราะปริยัติก็สําคัญนะนักปฏิบัติอย่าไปดูถูกปริยัตินะปล่อยให้นักปริญาตเขาดูถูกฝ่ายปฏิบัติไปข้างเดียว <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ชอบดูถูกเพื่อปฏิบัติพอพูดจาไม่รู้เรื่องพูดเลยว่เนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรไหวๆอยู่กลางอก บ้าอะไรมันจะมาไหวอยู่กลางอกพญาติมันชัยละมัง้งนะช่างเขานะแต่เขามีประโยชน์นะมีประโยชน์เรอรักษาศาสนาไว้อย่างน้อยรักษาคำพีไว้แล้ววันหนึ่งมีคนซึ่งมีบุญบา ร, รมีนะตีความคำพีนี้ออกมาได้นะเหมือนหนังจีนเนะ่มีคำพีอยู่ ยัางคำพีอะไรนะที่กวยเจ็งมันฝึกอะคำพีอะไรสักอย่างหนึ่ง ไ, ไอ้ฝ่ามือสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร อ, อะ <c oughs> มันฝึกนะแล้วคำพีเนี้ยก็ยังอยู่ในตระกูลของกวยเจ็งแต่ลูกหลานฝึกไม่ได้สักคนลูกหลานฝึกไม่ได้มีแต่คำภีแต่ว่าไม่เข้าใจแก่น หลวงปู่มั่ น, นมาค้นพบแก่ น, นที่เราสอนพวกเราคือจิตได้จิตคือได้ทำเพราะฉะนั้นดูแลรักษาจิตตนเองไวนะ้ผู้ใดตามอารักษาคุ้มครองจิตมีสติตามรักษาจิตไปนะจะพ้นบ่วงแห่งมารเราจ ะ, ะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะพ้นจากอำนาจของมารนะยากไปไหม จิตสุขรู้ไหมรู้จักไหมจิตทุกรู้ไหมจิตสงบรู้จักไหมจิตฟุ้งซ่านรู้จักไหมเห็นยากตรงไหนเลยจิตโลภรู้จักไหมจิตกลัวรู้จักไหมจิตหลงรู้จักไหมจิตโหดหู่รู้จักไหมรู้จักทั้งนั้นอ่ะก็แค่มีสติคอยรู้ว่าตอนนี้จิตของตัวเองเป็นยังไงนี่แหละคือการมีสติรักษาจิต อย่างถ้าเราเห็นจิตหดหูเราดูไปความหดหูครอบหัวเราเลยกําลังครอบใจโอ้โ ห, หมาหาหลวงพ่อโอ้หดหูต้องการกําลังใจเออหดหูไปเถอะอีองโง่ยังมาอ้อนนะเรียนกับหลวงพ่ออย่ามาอ้อนนะหลวงพ่อไม่ใช่พระที่ชื่นชมลูกศิษย์ที่อ้อนนะ พ่อสอนลูกศิษิ์ให้เข้มแข็งให้ช่วยตัวเองให้ได้ให้สู้ต้องอดทนเพราะฉนั้นหนูท้อแท้หนูท้อแ ท, ห ท, แท้หนูไปดูเลยท้อแท้ถูกรู้นี่ดูอย่างนี้เลยนะผมเบือ่อละเกินเบื่อเขาไปดูเบือ่ออย่ามารำพันนะที่นี่ไม่มีไทยดำลำพันนะรู้จักไหมเพลงนี้ต้องแก่ถึงจะรู้ งั้นจิตใจเราเป็นยังไงมีสติรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปแล้วเราจะสตินั่นแหละมันจะคุ้มครองจิตเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วแล้วมันจะส่งเสริมให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาเนี่ยงอกงามขึ้นมางั้นการมีสติรักษาจิตนี่แหะคือตัวสัมมาวายามะที่ดีเลยนะเป็นสัมมาวายามะคือมันทาลายกิเลสที่กาลังมีอยู่ กิเลสใหม่ก็จะไม่เกิดในขณะที่มีสติมันทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาไม่เคยมีนียถ้าเรามีสติขึ้นมานะศีลสมาธิปัญญาก็มีขึ้นมาแล้วต่อไปกุศลก็จะเจริญขึ้นศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นศีนาัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติตองถึงจุดที่อัตโนมัตินี่แหละถึงจะได้มรรคผลค่อยๆฝึกเอาไม่เกินวิสัย ไม่เหลือพิสัยที่มนุษย์ธรรมดายอย่างพวกเราจะทําได้พ่าหลวงปู่ดืนเคยบอกหลวงพ่อไวนะ้ท่านบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ท่านสอนหลวงพ่อแค่นี้เองหนะลวงพ่อมาอ่านอยู่นะทั้งหมดเจ็ดเดือนขึ้นไปหาท่านนะท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วนะถึงพระรัตนตรัยช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องมาอาศัยท่านแล้วท่านบอกอย่างนี้ ก็แค่มีสติคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปเรื่อยๆแล้วเวลาจิตมันเหน็ดเหนื่อยมันจะพักของมันเองอย่าไปฝืนนะทีดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วจิตมันเหมือนจะหลับอยู่แล้วย่าไปฝืนมันปล่อยมันให้มันพักไปเพราะมันพักมันมีเรื่องมีแรงมันก็ขึ้นมาเดินปัญญาต่ออันนี้สำหรับพวกเข้าชาญไม่เป็นนะเข้าฌานไม่เป็นก็นั่งสมาธิพอจิตมันหลับในให้มันหลับอย่าไปฝืนมัน นะแต่ว่าอย่าหลับเจนติดนิสัยนะไม่ยอมเดินบัญญาแล้วหลับตลอดเลยนั่งทีไรหลับทุกทีมก็เกินไปหน่อยนะนะวิธีที่จะนั่งแล้วไม่ให้หลับตอนกลางคืนทําไงรู้ไหมต้องสอนกลางวันเนี่ยรู้สึกตัวเป็นระยะระยะไปหลวงพ่อเนี่ยพยายามเบรกตัวเองทุกชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพยายามรู้สึกตัวอย่างน้อยห้านาทีตอนที่ทํางานนะตอนเดินไปห้องน้ําตอนไหนเนี่ยคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไป แล้วตอนไปนั่งสมาธิทีางคืนนีกลางวันเนี่ยมันเก็บคะแนนมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีพลังนั่งแล้วไงก็ไม่หลับนั่งไปทั้งคืนก็ไม่หลับไปทำเอานะสอนให้แล้วก็ไปทำเอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ